เราทุกคนต่างก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าก็จึงได้มาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ผู้ที่มีศรัทธาอ่อนแอย่อมไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมคือฝึกฝึกฝน กายวาจาใจของตนให้ตรงต่อธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอให้พนพากันรู้ตัวในเบื้องต้นอะเรามีศรัทธากันอย่างแข็งแรงแล้วถึงท่ามกลางก็พากันรักษาศรัทธาอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อม <c oughs> รักษาไปจนว่าตลอดชีวิตนู่นนะศรัทธายังไงอ่ะศรัทธาความเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยเชื่อว่าพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้แจ้งซึ่งพระนิพพานจริงๆพระองค์ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระทัยจริงๆ แล้วก็เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทานั้นๆแม้ตัวของตัวเองก็เหมือนกันนะก็เชื่อว่าเมื่อตนทำดีก็ต้องได้ดีแน่ทำชั่วก็ต้องได้ชั่วแน่อ่าอย่างนี้นะเชื่อว่าข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่นะ เช่นเป็นคฤรืหัสอย่างนี้ก็เชื่อมั่นในข้อปฏิบัติคือทานศีลภาวนานี่เมื่อผู้ใดลงมือปฏิบัติตามให้สัมพันธ์กันไปทั้งสามประการนี้แล้วก็ผู้นั้นก็จะได้บุญมากจริงๆและสามารถขจัดบาปอากุศลออกจากกายวาจาใจได้จริงๆแต่ต้องทำจริงทำเล่นไม่ได้เรื่องมานะ ถ้าเป็นนักบวชก็เชื่อว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อเราลงมือปฏิบัติโดยความไม่ประมาทบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนนะ่ะก็จะเป็นหนทางดับทุกข์ทางจิตใจได้จริงๆนี่เราถ้าหากว่าผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนานะก็ต้องเชื่ออย่างนี้แหละ ถ้าว่าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้จริงอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ทำตามคำสอนของพระองค์ได้เลยอพราะที่เรามีความแน่ใจในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากับเราเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ได้ตรัสรู้จริงๆ แล้วพระองค์ก็ได้ตัดสิรูด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละเมื่อพระองค์ตัดสรูแล้วพระองค์จึงมาทบทวนดูว่าอันที่พระองค์ได้ตัดสรูนั่นนะก็เพราะพระองค์เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นฉากแรกเลยประเดี๋ยวแล้วก็ทรงบำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็เจริญปัญญาวิปัตนาต่อ ดังที่ในคืนที่พระองค์เจ้าได้ตัดสรู้นั่นเนี่ยทีแรกพระองค์ก็เจริญสมถะเลยทําใจให้สงบก่อนอย่างนี้แหละโดยเจริญอานาปานสติตั้งสติกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ส่งใจให้ไปทางอื่นใจมันก็เลยสงบลงสงบลงโดยลําดับแหละเพราะว่ามันไม่ได้คิดไปทางอื่นนี่ มันดูอยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนะ <c oughs> เพราะว่าลมหายใจเข้าไปมันก็ไปถึงจิตนู่นนะนั่นไนงะหายใจออกมาจิตก็รู้อย่างงี้นะมันรู้อยู่ทุกระยะไปเลยถ้าหากว่าเรามีสติควบคุมจิตนั่นนะ่ะไว้ให้แน่วแน่แล้วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้น จิตนี่มันเมื่อมันไม่ได้คิดไปทางอื่นแล้วมันก็จึงค่อยสงบลงโดยลําดับนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าได้บรรลุปสมฌานทุติยฌานตติยฌานยาตุทะฌานไปโดยลําดับนีน่อันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าอันนี้นะพระองค์ได้บรรลุฌานนั้นแล้วอาศัยฌานนี่แหละเป็นบาตรของวิปัสนาบะนี้อ เมื่อพระ อ, องค์เจริญวิปัสนาไปก็ได้ตัดสู้ในยานที่หนึ่งคือระลึกชาติหลนหลังได้ก็พระ อ, องค์นับตั้งแต่นี้ถอยหลังคืนไปนะพระ อ, องค์เกิดที่ไหนบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรดีชั่วอย่างไรมีผิวพรรณวนะอย่างไรอายุยืนอายุสั้นเท่าใดเมื่อนี้ทรงรู้แจ้งไปหมดเลยนั่นแหละ เมื่อสิ้นสงสัยในความเกิดของพระองค์แล้วก็ทรงหยุดพักพอสมควรแล้วก็ทรงเจริญนวิปันาต่อพิจารณาธาตุขันธ์ของพระองค์แล้วก็ทรงอธิษฐานถึงธาตุขันธ์ของสัตว์อื่นก็ทรงตัสรุญานที่สองเรียว่ารู้จากจุดติ รู้จักความเกิดความตายความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายได้โดยแจมแจ้งไม่ขัดข้องเลยเอ่มสัตว์ทั้งหลายนั้นสรุปแล้วเรียกว่ามีกรรมเป็นของตนนี่ทรงรูปแจ้งอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายทํากรรมอย่างไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นก็เพราะเหตุนั้นแหละเมื่อพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์จึงสอนให้คนละ อพิธีนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั่นนะร่างการบวงสรวงบูชายันต่างๆนาๆนา น, านา่ะเพราะว่ามันมันไม่ใช่อพิธีกรรมอย่างนั้นไม่ได้ทําให้คนเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไ ม, ไม่ไม่ได้ทำให้คนเราเป็นสุขคนทั้งไวมันจะทําให้คนเราเป็นทุกข์ทาทําให้ผู้ที่กระทํานั่นแหละเป็นทุกข์ก็เช่นอย่างว่าไปฆ่าสัตว์บูชายัญอย่างนี้นะ มันก็เป็นบาปแล้วบาปมันก็นําไปสู่ทุกไปสวยทุกอืไป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์เจ้ายัางทรงสอนให้ละมาให้ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกมาเป็นที่พึ่งให้ให้ถือเอาบุญกุศลที่ตนกระทําบําเพ็ญมานี่เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่กําจัดทุกทางขีดใจเมื่อผู้ใด ได้รับความวิบัติขัดข้องอะไรขึ้นมาอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจกลุ้มใจอย่างนี้ก็ทรงสอนให้นึกถึงบุญกุศลที่ตนทามานี่นึกถึงความดีต่างๆเมื่อบุญกุศลความดีที่ตนทามาได้มาปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วใจที่มันเคยกลุ้มเดือดร้อนเพราะความผิดหวังบางสิ่งบอย่างมาโมอนอะไรบางก็ คลายออกไปเพราะมันได้ที่พึ่งแล้วเนี่ยนั่นเนี่ยอันที่พึ่งภายนอกนันก็อย่างว่าเนีงเงินทองเข้าของลาบยศสนเสริญน่มันไม่แน่นอนเลยมันให้เกิดความยินดีไปชั่วขณะหนึ่งเหลือมันก็เสื่อมไปส่วนว่าบุญกุศลคุณพระรัตนไกลนี่มันเมื่อเมื่อใจของเรายัางเลื่อมใสอยู่ตราบใด ยังสำรวมใจให้มั่นอยู่ในบุญในคุณนี่อยู่ตราบใดบุญคุณนี่ก็ไม่ได้เสื่อมจากจิตใจของผู้นั้นบุญคุณนี่ก็ย่อมชโลมจิตใจของผู้นั้นให้เบิกบานผ่องใสให้คลายทุกข์คลายร้อนออกไปเพราะว่าบุญมันมีจริงเนี่เพราะผู้นั้นได้ทำความดีให้เกิดมีแก่ตนจริงๆเนี่ ไม่ใช่ว่าไม่มีเวนเสียแต่พู้นั้นไม่ได้ทำความดีอะไรอะ่ะนั่นแหละมันถึงถึงแม้จะระลึกถึงบุญบุญก็เกิดไม่ได้เนื่องจากว่าตนไม่ได้ทำไว้มันจะเกิดได้ยังไงเล่านั่นแหละก็พราะพระ อ, องค์จัดสรุ้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้แลจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธศาสานิกชนทั้งหลาย เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมที่ตนกระทา ม, มาอย่าไปเชื่อสิ่งอื่น mm hmm. ขั้นเมื่อพระองค์สิ้นสงสัยในความเกิดความตายความสุขของความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ทรงพักขิดไปชั่วระยะหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็ทรงเจริญวิปัสสนาต่อคราวนี้พระองค์เจ้าทรงค้นคว้า ในชีวิตของพระ อ, องค์แล้ววันนี้นะชีวิตนี่มันเป็นมาแล้วก็เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะมันมีเหตุปัจจัยอะไรนี่ก็ทรงค้นนะ <c oughs> เมื่อเพ่งพินิดพิจารณาอยู่ก็ย่อมรู้ชัดว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยให้บังเกิดสังขารอคือว่า ทำให้จิตนั้นมันคิดขึ้นมาทั้งเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปบ้า ง, าางอันที่ความคิดมันไม่ยืนตัวอยู่ได้นี่เพราะความไม่รู้เป็นปัจจัยทําให้จิตใจคนเรานั่นอพลิกแพงไปมาโยจะเป็นบุญตลอดไปก็ไม่ได้จะเป็นบาปตลอดไปก็ไม่ได้พลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นเอท่านเรเลยเรียก ชื่อว่าสังขารอย่างนี้นะสังขาร น, นี่แปลว่าสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตใจนี่ให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างนี่นะเรียกว่าสังขารที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะมันมีอวิชชาควาไม่รู้เป็นปัจจัยก็หมายเอาจิตดวงเดียวนี่แหละมันไม่รู้แต่เบื้องต้นโน่นมานะ่ะมันไม่มีความรู้ความฉลาดเอเดนั้นมันจึงคิดทั้งดีทั้งชั่ว นี่ปัจจัยแห่งชีวิตให้พึ่งเข้าใจไอ <c oughs> เริ่มต้นแหละนี่นะมา น, นี่สังขารนี่เมื่อจิตคิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณทําให้เกิดความรู้ขึ้นมานั่นแหละเมื่อมันคิดถึงบาปมันก็รู้เรื่องบาปขึ้นมามันคิดถึงบุญก็รู้เรื่องบุญขึ้นมาอย่างนี้แหละ ก็อาศัยวิญญาณ น, นี่แหละเป็นผู้รับรู้ความคิดอันนั้นน่ะ <c oughs> บัดนี้วิญญาณเป็นปัจจัยบังเกิดนามรูป <c oughs> แน่นอนอ่ะถ้าไม่มีวิญญาณ น, นี้มันก็จะมีแต่รูปอย่างเดียวนามจะไม่มีอแต่ <c oughs> อย่างนั้นเพราะมีวิญญาณ น, นี่แหละถึงได้มีนามรูปขึ้นมาที <c oughs> นี้นามรูปนั่นเป็นปัจจัยบังเกิดอายตนะ เมื่อมีมีนามมีรูปนี่ขึ้นมาแล้วก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีหัวใจนี่มันก็มีอายตนาภายในขึ้นมาอย่างนี้แหละแล้วเมื่อมีอายตนาภายในแล้วมันก็มีอายตนาภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมต่างๆซึ่งเป็นคู่กันนะ เช่นรูปก็เป็นคู่กับตาเป็นต้นอย่างว่านั่นเนี่ยทีนี้อายตนะนี่ก็ย่อมเป็นปัจจัยบังเกิดผัสสะ <c oughs> อายตนะภายในภายนอกนี่นะมันกระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ <c oughs> รวมทำสามสามอย่างนี้ด้วยกันเข้าไปก็เรียกว่าผัสสะคือความถูกต้อง <c oughs> เป็นอย่างนั้นมานีผัสสะเนี่ย เมื่อมันมาถูกต้องแล้วถ้าถ้าหาว่าเรื่องดีมาสัมผัสกับจิตนี้จิตก็เกิดความยินดีพอใจขึ้นมาอ่ก็เรียกว่าสุขเวทนานั้นแหละผัสสะนั้นเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาถ้าหาว่าจิตนี้ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีจิตใจก็เดือดร้อนขึ้นมาอย่างนี้จิตก็ได้สวยอารมณ์อันไม่ ไม่พอใจท่านก็เรียกว่าทุกขวเวทนาอเมื่ออารมณ์มาสัมผัสกับใจนี่ไม่ดีไม่ชั่วก็เป็นอุเบกขาเวทนานิรภัสธะเป็นปัจจัยบังเกิดเวทนาบันนี้เวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาอืก็เมื่อเมื่อเมื่อใจได้สัมผัสกับอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเช่นนี้มันก็เกิดความอยากได้ขึ้นมา ในสิ่งที่มันพอใจนั้นอมันก็ดำริตริตองอยากได้ขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นมาเกิดความรักความอะไรขึ้นมาอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าเวทนาเป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาเนี่ยนะมันีน้ตัณหาเป็นปัจจัยบังเกิดอุปาทานเมื่อความอยากมีในใจแล้วหากว่าไม่สามารถจะละความอยากอันนั้นได้ มันก็ยึดถือเอาเรื่องที่มันอยากนั่นแหละไว้ในใจเลยมันอยากได้สิ่งใดมันก็ยึดถือเอาไว้วิตกวิจารทาอย่างไรเนอจึงจะได้สิ่งนั้นมาเป็นสมบัติของตนอะไรพวนี้นะนั่นไนงะเมื่อมันมีความยึดถืออยู่นั้นมันก็ต้องวางแผนไนงะเสแวงหาสิ่งที่ต้องการนั่นการสเสวงหานั่นเมื่อสเสวงหาโดยทางชอบไม่ได้แล้ว ก็แสวงหาเอาโดยทางที่ไม่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคนหมายอะ่ะอืก็เลยกลายเป็นกรรมดีกรรมชั่วไปแบบ น, นี้นะนั่นแหละก็เพราะความยึดมั่นถือมาในใจนั่นแหละมันเป็นเหตุที่ได้สร้างกรรมดีกรรมชั่วขึ้นในจิตใจของของตนอนะ่ะเป็นอย่างนั้นวันนี้เพราะ ท่านกล่าวไว้ว่าอุปทานนั้นเป็นปัจจัยบังเกิดพบนี่ก็หมายถึงกรร ม, มพบนั่นเองแหละอุปทานเมื่อมันมีแล้วเป็นเหตุได้ทํากรรมดีกรรมชั่วดังกล่าวมานั้นแหละบะนี้กรรมดีกรรมชั่วมันก็นําจิตวิ ญ, ญญาณซึ่งละออกจากรก่างอันนี้ไปแล้วนะไปก่อพบก่อชาติให้เกิดใหม่อีกไปก่อพบหมายความว่างั้นน่ะถ้าหากว่า ใจมันยึดกรรมชั่วไว้มากอย่างนี้นะกรรมชั่วมันก็นำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นต้นถ้าว่าใจนี่มันยึดกุศลกรรมดีใส่ตนไว้เวลาจวนจะตายะระลึกถึงบุญกุศลความดีได้มากกลัวความชั่วอย่างนี้เนะีนันแะบุญกุศลนี่ก็เป็นญาณพาหานะรองรับอดุดมเกียดนี้ ไปเกิดในที่มีความสุขความเจริญที่ท่านเรียกว่าสวรรค์น่ะนั่นแหละนี่ท่านจึงเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นปัจจัยมันเกิดพบมาบนี่เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าไปเป็นสัตว์นกไปเสวยผลวิบา ก, กรรมที่ตนกระทานั้นไปเมื่อเมื่อมด บุญกุศลหรือมดวิบากรรมเหล่านั้นลงไปแล้ววันนี้ก็ก็เคลื่อนจากพบนั้นแล้วก็ไปเกิดเคลื่อนจากพบนั้นแล้วก็มาเกิดในโลกนี้นี่ยอ่าก็เลยเรียกว่าพบเป็นปัจจัยบังเกิดชาติเนี่ยนั่นเนี่ยเรียกว่าเกิดชาติอย่างว่าคนไทยมาเกิดอยู่ในผืนแผ่นดินนี้เราก็สมมุติกันว่าชาติไทยอย่างนี้นะ นั่นแหละมันก็มาจากภพนั่นแหละถ้าไม่มาจากนรกก็มาจากสวรรค์หรือไม่เช่นั้นก็มาจากมนุษย์นี่แหละตายจากมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์เลยก็มีอ่าเป็นอย่างนั้นมีเช่นนั้นก็มาจากกําเนิดเปรตกําเนิดอสุรกายกําเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเกิดเป็นคนนี่มันแล้วตั้งแต่เหตุปัจจัยของมันอ่ะ มันนี้เมื่อมาเกิดเป็นชาติขึ้นมาอย่างนี้แล้วชาติก็เป็นปัจจัยวังเกิดชลาพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายานนี่เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ท่านว่าเป็นอย่างนี้แหละคนเราที่เกิดมาในโลกนี้นะพระพุเทธเจ้าทรงตัดสรุแจ้งปัใจจัยแห่งชีวิตอ่ะ มันสัมพันธ์กันอย่างนี้แหละมันทายทอดซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆจนว่าถึงมาเกิดเป็นชาติขึ้นมาอีกแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายอย่างในชาติปัจจุบันนี้แหละ <c oughs> เป็นอย่างนี้ให้พากันพิจารณาดูอปัจจัยแห่งชีวิตดังกล่าวมานี่นะแล้ววันนี้เมื่อเราจะถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัตินะ่ะก็เราก็มาจับเอาว่าอาวิชชาเลย ว, วันนี้นะ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมไปโดยลำดับดังที่อธิบายมาเมื่อกี้นี่แหละวันนี้ก็ทรงพิจารณาโดยปฏิโลมพิจารณาถอยกลับมาโดยลำดับเพราะชาตินั่นแหละเป็นเหตุมันถึงได้มีพบนั่น เพราะมีชาติมันจึงได้มีภพอย่างนี้เหละยเพราะมีภพมันจึงได้มีอุปาทานถอยหลังคืนมาโดยลำดับจนมาถึงอวิชชาก็จึงมารู้แจ้งว่าเพราะอวิชชานี่แหละเป็นปัจจัยทำให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ได้เสวยสุขเสวยทุกขต์ต่างๆนล้วนะโมนี่นนมนเมื่อทรงพี่นาเห็นว่าอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยแล้ววันนี้ก็ ทรงเพ่งพิจารณาความรู้สิบะนี้นะเมื่อความรู้เกิดขึ้นแล้วอวิชชาความไม่รู้มันก็ดับไปทีแรกก็ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุให้ทุกเกิดไม่รู้จักความดับทุกขไม่รู้จักข้อปฏิบัติใหถึงความดับทุกอันนี้เรียกว่าไม่รู้อริยสัจจะทำทั้งสีบัด น, นี้เมื่อพระ อ, องค์มากําหนดรู้ ความเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นทุกข์ตามความเป็นจริงแล้วก็ก็ทรงรู้เท่าความทุกข์เหล่านั้นตามเป็นจริงนี่เรียกว่าไอความไม่รู้จากทุกข์นั่นมันดับไปความรู้จากทุกข์มันเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้แหละแล้วก็ทรงสาวหาเหตุแห่งทุกข์นั้นทุกข์นี่มันมาจากเหตุอะไรเป็นเหตุก็ทรงรู้แจ้งว่าตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ตัญหานี่จึงเป็นสิ่งที่ควรละเพราะถ้าไม่ละมันก็จะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่อย่างนี้ล้าไปมันก็เริ่มต้นตั้งแต่ละตัญหาความอยากไปทำทุจริตด้วยกายวาจาใจต่างๆนั้นมีค่าตัดเป็นต้นความอยากประเภทนั้นเน่ะมันพาคนเราไปสู่ทุกข์ในอาใบภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น ควรละตันหาประเภทนั้นก่อนอื่นทั้งหมดเลยอะแต่สําหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ละมาแล้วอันนั้นนะแล้วเวลาพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ทรงสอนให้พุทโธริษัตละตันหาอันมันจะบันดาลให้ไปทําบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยเพราะว่าเมื่อบ <c oughs> คุคคลไม่ละตันหาประเภทนั้นนะจะไปละตันหาที่ละเอียดไปกว่านั้นไม่ได้มันละไม่ได้หรอก มันจะละได้ยังไงมันไปเสวยทุกทนทรมานอยู่ในนรกในเปรตในอสุรกายในสัตว์เดรัจฉานนู่นเพราะว่าตนรูอ้อำนาจแก่ตัณหาความอยากแล้วไปทำบาปเหล่านั้นนะเป็นอย่างนั้นก็ทรงรู้แจ้งว่าตัณหาความทะเยอะทะยานอยากาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นสิ่งควรละทำไมละ มันก็จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ไม่รู้แล้วรู้ดดเลิศพระองค์ก็กําหนดละตัณหานั้นไปด้วยอํานาจแห่งพระอริยมรรต์นั่นแหละเมื่อเมื่อละตัณหาตัณหาดับลงไปแล้วก็ทรงรู้แจ้งว่าทุกดับไปแล้วนี่นั่นแหละตัณหาดับที่ไหนทุกก็ดับอยู่ในที่นั้นแหละตัณหาเกิดขึ้นที่ไหนทุกก็เกิดขึ้นที่นั้น ตัณหาดับลงที่ไหนทุกก็ดับลงที่นั้นกระส่งรู้แจ้งว่าถ้าว่าพูดอย่างภาษาเราตรงไปตรงมาแล้วก็ความอยากของจิตนั่นแหละมันดับล ง, งนะนั่นเมื่อจิตไม่อยากจิตไม่หิวอะไรต่ออะไรแล้วอย่างนี้นะจิตนี้ก็ไม่มีทุกข์แล้วไม่เป็นทุกข์แล้วนั่นก็รู้ละอ๋อที่ที่ดับทุกข์มันดับตรงนี้ดับ ตรงที่ความอยากของจิตนี่เมื่อจิตนี่ไม่อยากไม่หิวอะไรแล้วทุกทั้งหลายก็ย่อมดับไปนี่ก็ทรงรู้แจ้งว่าอที่ดับทุกท่านท่านให้ชื่อเป็นบาลีว่านิโรธนิโรธถ้าปแปลเป็นภาษาไทยเราก็เลยว่าความดับทุกนี่ดับตรงไหนอะดับที่ใจเมื่อใจหายอยากหายหิวแล้วทุกทางใจก็ดับไป เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยอะไรจะตกแต่งให้เกิดในภพในชาติต่อไปแล้วก็บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็ทรงรู้แจ้งว่าการที่บุคคลจะมาดับตัณหาได้นี่มันก็ต้องมีข้อวัตรปฏิบัติจึงทรงรู้แจ้งว่ามรรคอันมีองค์แปดมมประการนั่นแหละเมื่อบุคคลมาดำเนินตามมรรคอันมีองค์แปดประการนั้นแหละก็สามารถที่จะมาดับตัณหานี่ได้เลยเมื่อตัณหาดับ ไปแล้วทุกก็ดับไปหมดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติจากธรรมะบรรยายนี่เราก็มาพากันศึกษาและปฏิบัติตามมรรคอันมีองค์แปดประการนี้แหละเมื่อย่นให้สั้นลงไปแล้วก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญานี้ศีล <c oughs> ก็คือความเป็นผู้มีสติสมบัติเญชญ่น สำรวมระวังกายวาจาไม่ให้ล่วงพุทธปรญญัติที่ตนได้สมาทานมาแล้วอย่างหนึ่งแล้วก็สำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลีนกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นนี่เรียกว่าสำรวมอินทรีย์ถ้าไม่สำรวมอินทรีย์ศีลก็เศร้าหมองเพราะว่าเมื่อใจเศร้ า, ห ม, ราหมองแล้วศีลก็เศ้าหมองแล เนื่องจากว่าปล่อยให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วเนี้จิตใจย่อมเศร้าหมองแน่นอนเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วศินก็เศร้าหมองมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นการสำรวมในศินและอินทรีย์เนี่ยมันถึงไปด้วยกันเลยอ่ะทิ้งกันไม่ได้อเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตไม่ยินดียินร้ายอะไรแล้วมาเพ่งเจริญพระกรรมฐานนะมันก็เห็นแจ้งได้ชัดเจนเลยพระกรรมฐานน่ะนั่นแหละ าพาะกรรมฐานทั้งหลายส่วนมากพระองค์เจ้ากระทรงสแสดงออกไปจากอัตภาพร่างกายนี้เองนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรแล้วกับคุณธรรมบางอย่างเช่นพโมวิหารสี่อย่างนี้แหละก็ให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นจนว่าใจสงบลงเมื่อเราเจริญเมตตาอย่างนี้นะเพ่งเมตตาไปมาใจมันอ่อนมันน้อมลง มันไม่คิดอิศสาเบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จพวกใดอย่างนี้ใจมันอ่อนมันโยนมันน้อมลงไปอย่างนั้นมันก็สงบลงได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมตตาท่านจึงว่าเป็นสมถะกรรมฐานอันหนึ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีบุคคลผู้รักสวยรักงามใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเพราะความรักเป็นเหตุ มันก็ควรจะเพ่งอสุภะกรรมฐานนั่นแหละเป็นอารมณ์ให้มากนี่คนที่รู้อํานาจแก่ราคะตัณหานี่ส่วนมากมันไม่ได้เจริญอสุภกรรมฐานเลยมันไม่ได้ทําอสุภานิมิตให้เกิดขึ้นในใจิตใจนี่เป็นอย่างนั้นการเจริญอสุภะมันคงเอเพ่งเอาจนมันเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาโน่ะเห็นร่างกายนี้สมมติว่าจิตวิญ ญ, ญาณละออกไปแล้วนะ เอาทอดทิ้งไว้บนพื้นแผ่นดินนั่นนานวันไปมันก็เกิดเน่าเปื่อยผุพังไปเอส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่วอย่างนี้นะแพ่งดูแลก็เห็นภาพอันนั้นเป็นไปอย่างนั้นจริงอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าอสุภานิมิตะผู้ราคะจริตต้องมันเพ่งอสุภานิมิตนี่บ่อยๆนี่เมื่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไปไม่รอดเอากัน ปฏิบัติธรรมนี่นะจะถึงซึ่งความเสื่อมหมายเขาว่าอย่างนั้นอ mm hmm. เพราะฉะนั้นแหละให้เพิ่งพากันเข้าใจเหตุปัจจัยแห่งชีวิตเนี่ยศึกษาเรื่องอวิชชาความไม่รู้นี่ให้มากมากทีเดียวแหละพยายามอบรมความรู้นี่ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจของตน น, ะนั่นแหละเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานี่แหละ ตัณหานี่นะว่าเป็นรากเหง้าของกิเลสตัณ น, น้อยใหญ่ทั้งหลายอะ่ะถ้าระ ง, งับตัณหานี่ลงได้แล้วกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายก็ระ ง, งับดับไปหมดเมื่อกิเลสดับไปทุกทั้งหลายก็ดับไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้